ปัญหาต่อไปที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ย็ดวิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกล่าวเปลี่ยนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหากการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำ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 คือมุ่งที่จะทำเจตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอาราธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเื่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระดนทใจคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เชื่อมั่นในปัญญาตัดสโลของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดวิเรยะอุตสาหะในการปฏิบัติาการปฏิบัติกรรมฐานนี่ในเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาตมาอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวัง การปฏิบัติกรรมาฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงสแสดงธรรมและที่แนวทางให้ผู้ปฏิบัติตำเนินตาม ลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโรตถาคตาคต า, า, า, า, าทาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยังออกตัวถึงขนาดนี้พระสาวกในปัจจุบันหรือจะวิเศษวิโสยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเพื่อมุ่งความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจังโปรดจะได้ปล่อยหรือหลงให้ใครสักคนึงมาใช้อานาจบังคับจิตใจของเรา เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นเราไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้ามาเป็นใหญ่ในหัวใจของเราเพื่อดนบันดาลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเราเนิกพุโทโธพุธโทโธเพียงและเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เพื่อจะทำจิตใจของเราให้เป็นผู้รู้ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ในคําว่าพุโทโธเป็นแต่เพียงสื่อนําจิตให้เดินเข้าไปสู่ความสงบเพื่อเป็นอุบายพลากจากความคิดที่มันวุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุโทโธเสร็จแล้วเมื่อจิตรวมอยู่ที่พุโทโธจิตก็จะสงบสงบแล้วคําว่าพุโทโธจะหายไปยังเหลือแต่สภาว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในจิตของผู้ภาวนาอันนี้คือ เจตของผู้ภาวนาเป็นไปโดยสมรรถภาพและพลังของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งเคยได้พบได้เห็นเช่นอย่างบางท่านไปเรียนกรรมฐานแล้วก็ให้อาจารย์กรรมฐานนั่นลงอัคระมีการปลุกเสกสวดจตติอะไรเข้าไปให้พอไปภาวนาแล้วเมื่อเจตเกิดมีสมาธิขึ้นมาบ้างในขนาดอุปจาระสมาธิอ่อน ก็ถูกอาถันวิชานั้นเข้าครอบพอครอบแล้วสติสตังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของตัวเองได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปก็มีการปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจ้านี้ในขณะใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทำจิตให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงถึงขนาดมรรคนิพพานเราภาวนาแล้วเราสามารถเอาพลังสมาธิเนี่ย ไปใช้ประโยชน์ในทางการงานทางโลกที่เรารับผิดชอบอยู่เพราะการทำสมาธิทำให้ผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะมีจจตเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอํานาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาเป็นแล้วมีสมาธิดีแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังสมาธิของตัวเอง เป็นอุปรกรณ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีและพลังของสมาธิในสติปัญญาที่ท่านอบรมมาแล้วนั้นจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนความรู้สึกของท่านให้เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาททั้งงานการในทางโลกและทางธรรมอันนี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้องแต่ถ้าภาวนาแล้วจิตมีสมาธิแล้วทำให้เบื่อหน่ายโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากอยู่กับครอบครัว อันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วความคิดเห็นอันนั้นไม่ใช่มันเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นจริงของจิตใจแต่หากมีอำนาจสิ่งหนึ่งมาคอยบังคับจิตให้มีความรู้สึกเป็นไปเช่นนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อหน่ายโลกนี้ไม่ใช่โลกที่ที่น่าเกลียดน่าชัง โลกนี้เป็นโลกที่ทุกคนควรจะศึกษาให้ใหรู้ข้อเท็จจริงของความเป็นไปของโลกในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงของโลกว่ามันเป็นอย่างไรและไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไรมันมีความติดอยู่ในโลกอย่างไรผูกพันอยู่ในโลกอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายในจิตใจของเราได้ อสำหรับการตอบปัญหาในข้อนี้ก็ข อ, ขอยุติเพียงแค่นี้ข้อที่สองก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานจําต้องขอกรรมฐานต่อพระภิกษุ ส, สงฆ์ก่อนหรือไม่อันนี้จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แล้วแต่ความพอใจถ้าหากไปหาท่านอาจารย์องค์ใดถ้าท่านมีวิธีการให้ขอก็ขอแต่อย่าไปยึด แต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมาฐานแล้วมาลงอัขระใส่กระหม่อมแล้วอย่าไปเอาเป็นฤทิ์ค่ะถ้าเพียงแท่ว่าไปบอกฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอให้ท่านสอนกรรมาฐานให้โดยไม่ต้องเกรง อ, อกเกรงใจทางใดที่จะให้เราได้ดีใจ ด, ดีแล้วก็ขอให้ท่านสอนถ้าอย่างนี้เอาถ้าหากว่าเรา เราไม่ต้องการที่จะขอจากใครตำรับตำลาก็มีหนังสืออ่านก็มีเราอาจจะอาศัยตำลานั้นเป็นหลักปฏิบัติก็ได้แต่ว่าควรจะมีอาจารย์นั่นแหละดีเพื่อป้องกันความผิดพลาดในปัญหาต่อไปทำอย่างไรจรึงรู้จึงจะรู้กรรมเก่าในอดีตของเราว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้แก้กรรมนั้นให้หายไปไม่ต้องมารับกรรมนั้นนั้นอีกจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีในชาตินี้ต่อไปโดยไม่ต้องพะวงถึงกรรมเก่าในอดีตชาติการที่จะรู้กรรมเก่าหรือกรรมอะไรในอดีตนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ กรรมที่เราทำลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ได้มีทางเดียวแต่ว่าเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อกฎของกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วดายชั่ว เราก็พยายามละเว้นจากการทำทั่วทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปในมาทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไ ป, ยไปถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผลกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยังต้องได้รับเช่นพรโมกขลาเป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาสําคัญที่เราจะต้องไปแก้กรรมเก่าทาแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้มากมากขึ้นถ้าว่ากรรมเก่าในอดีตมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเราทําในปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นกรรมใหม่เนี่ยในเมื่อสะสมเอาไว้มากๆเข้ามันก็มีพลังพอที่จะหนุนจิตให้วิ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลกรรมใหม่เนี่ย บันดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นกรรมเก่าที่วิ่งตามมามันก็วิ่งช้าลงมันทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไปถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้ว่ากรรมเก่ามันจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะประทุสร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้อ่าปัญหาข้อต่อไปการเห็นนามโรคเกิดดับ เห็นเป็นลักษณะอย่างไรและพูมจิตอยู่ในขั้นไหนอันนี้เป็นปัญหาที่มีความละเอียดพอสมควรการเห็นนามโรคเกิดดับอันนี้จะขอนำประสบพการณ์ที่เคยผ่านมามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังแต่มันจะอยู่ในลักษณะ ที่นามโลกเกิดดับหรือไม่จะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจรารณาในขณะที่เรากำหนดจิตจะทำสมาธิภาวนาลงไปพอกำหนดจิตพับลงไปเราจะรู้สึกว่าจิตของเรารล้ทั่วทั้งกายแล้วก็รู้เวทนารู้จิตรล้ธรรมโดยสัญญา เมื่อเราบริกรรมภาวนาลงไปแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิละเอียดลงไปลมหายใจก็ดับร่างกายที่ปลากฏดอยู่ก็ดับคือจิตไม่สาคัญมั่นหมายในลมหายใจและกายเป็นว่ากายด้ลมหายใจหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งเด่นอยู่ ในขณะที่จิตรู้ทั่วทั้งกายอยู่นั้นความรู้สึกในทางจิตไม่มีความเด็ดแต่เมื่อกายหายไปลมหายใจหายไปแล้วจิตสงบนิ่งลงไปปรากฏเต่นทัดอยู่แต่รูปหายไปหมดแล้วอันนี้ในลักษณะอย่างหนึ่งทีนี้ในอีกลักษณะอย่างหนึ่งเช่น นโยคาวรวจรมาพิจารณากายโดยระลึกถึงความตายค้นค้าพิจารณาไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงลงไปว่ากายนี้ตายลงไปแล้วแล้วกายของผู้ภาวนานั้นก็ปรากฏว่าขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็สลายตัวละเอียดเป็นผงลงไป หายไปในพื้นแผ่นดินทั้งหมดในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปด้วยยังเหลือแต่สภาพจิตนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้จิตไม่มองเห็นวัตถุยังเหลือแต่จิตนิ่งเด่นอยู่สว่างสวัยอยู่อันนี้ขอให้แนวคิดเพื่อฝากเป็นปัญหาให้ท่านนักปฏิบัติและนักศึกษาทั้งหลาย นำไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นการบ้านในขณะที่ผู้บริอาผู้ทาสมาธิภาวนาหรือพิจารณาธรรมอนใดอยู่ก็ตามในขณะที่รู้สึกว่ามีกายอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ทั้งนามในรูปปรากฏร้อมหน้ากันเพราะกายปรากฏมีอยู่ เวทนาก็ปรากฏมีอยู่สุขทุกข์ยังปรากฏอยู่เช่นอย่างสุกเกิดแต่ปีติก็เป็นภาวันอ่ะก็เป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อเจตละเอียดลงไปแล้วสงบละเอียดลงไปแล้วกายลมหายใจปรากฏว่าหายไปยังเหลือแต่จิตเจตไม่มีความรู้สึกว่ามีกาย กายก็คือรูปนั้นก็ดับไปแล้วในเมื่อโลบดับไปแล้วเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดับไปด้วยอุเบกขาเวทนาจิงปลากฏด่นชัดขึ้นตัวนามคือจิตปลากด่นชัดขึ้นจึงมีคําพูดว่าโูปดับนามเกิดรูปดับนามเกิ ด, ด, กดส่วนท่านผู้อื่นจะมีความเข้าใจอย่างไรนั้น ขอฝากเป็นการบ้านช่วยกันพิจรารณาอันนี้ไม่ขอตัดสินสำหรับปัญหาข้อที่สองเวลานั่งเจ็ดภาวนาจิตยังไม่ถึงอุปจาระกำหนดให้เห็นรูปนามเกิดดับเป็นปัจจุบันนธรรมได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเพียงการปรับปรุงหรือปรุงแต่งปฏิปทาเท่านั้นการนึกว่านี่โลก นี่นามโดยความตั้งใจโดยเจตนาอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติภาคปรุงแต่งปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจําเป็นจะต้องพิจารณารูปนามด้วยความตั้งทิศพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมา เมื่อเจตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจิตนั้นจึงจะพิจารณารูปนามไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาอีกข้อต่อไป <c oughs> รูปคือร่างกายจะเห็นเกิดดับได้อย่างไรถ้าไม่ได้สมาธิถึงอัปนาถ้าจะเห็นก็เนื่องอก็เพียงเพียงจินตา หรือคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นใช่ไหมข้อนี้ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาศัยการค้นคิดด้วยจินตาเมียกว่าจินตามายะปัญญาการคอนคิดการพิจารณานี้เป็นอุบายทําให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิทําให้สติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นประกอบกับจิตที่มีสมาธิ ก็ย่อมสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เองส่วนในอัปปนาสมาธินั้นอัปปนาสมาธิในเบื้องต้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเพียงแค่ว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิยังไม่เคยผ่านการพิจารณาอะไรมาจิตจะไปสงบนิ่งอยู่เฉยแต่ถ้าหากว่าจิตจะเินวิปัสสนาขั้นละเอียด จิตอยู่ในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่ก็สามารถมีเครื่องรู้เครื่องเห็นภายในปรากรุดเคลนภายในจิตสิ่งที่จะให้จิตรู้สิ่งที่จะให้สติระลึกนั้นมีปรากรุอยู่แต่จิตก็มีอยู่ในลักษณะที่สงบเป็นอัปปนาสมาธิ<ม>ทีนี้อัปปนาสมาธิในเบื้องต้นนั้นเป็นแต่เพียงปฐมมจิตปฐมวิ ญ, ญญาณมนุษธาตุ ในเมื่อสมาธิผ่านเข้ามาในจิตหรือจิตเป็นสมาธิบ่อยๆผ่านการพิจารณาหนักๆเข้าจิตนั้นจะมีพลังเมื่อออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตัวการสําคัญก็คือสติที่จะตามรู้ตามเห็นทันความรู้สึกนึกคิดนั้นๆแล้วแม้ในขณะที่จิตสงบทิ่งเป็นสมาธิอย่างละเอียดตัวสติตัวนี้จะ เป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตส่วนความเข้าใจอันละเอียดนั้นขอฝากนักปฏิบัติไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่อาจยมาว่าไปนี่อย่าเพิ่งเชื่อเพียงแต่รับฟังสิ่งใดถ้าฟังแล้วเชื่อเลยเก็ก็ว่างโง่ในเมื่อฟังแล้วปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็งโง่อีกเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติศาธรรมต้องพิจารณาตัดสินโดยสติปัญญา ข้อ4ทำจิตภาวนาเพียงสงบนิ่งจะทำวิปสัสนาไปพร้อมด้วยจะทำอย่างไรทำจิตเพียงแค่สงบนิ่งพอที่จะสามารถควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้จเจริญวิปสัสนาในแนวทางแห่งความนึกโดยใช้สัญญาความรู้ที่เราเรียนมา มาคิดพิจรารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราอาจจะคิดว่าโรคเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ถามปัญหาตัวเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็ตอบตัวเองไปถามตัวเองไปซึ่งสามารถที่จะควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวที่เราต้องการอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาไปพร้อมๆกัน แต่หากยังไม่ใช่ตัววิปัสนาในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เราพิจารณาว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างจริงจังจิตสงบนิ่งลงไปแล้วตัดสินขึ้นมาว่านี่คืออันนี้จังไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆริงอันนั้นจึงจะเป็นวิปัสนาขณะที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นแต่เพียงภาพปฏิบัติเท่านั้น ขอทราบเทียบเคียงได้ทราบอริยสัจ4โดยสังเกตการสัง เ, ตเกตจิตที่ได้ทราบอริยสัจ4 <c oughs> อันนี้จะขอเปรียบเทียบกับประสบะการณ์ซึ่งเคยผ่านมาในบางครั้งทุกในอริยสัจเป็นทุกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ เพราะไปบง่งชัดอยู่ตรงที่ว่าโสซกับพระเทวทุกขโทมานัตถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตมีใจสิ่งนั้นไม่มีทุกขไม่มีโทมนัตไม่มีความคับแคบใจไม่มีความทุกข์ใจที่ได้การรู้แจ้งเขียนจริงในอริยสัจสี่นั้นเราจะพึงสังเกตได้ในขณะที่จิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรลงไปแล้ว เมื่อจิตไปสงบนิ่งในลักษณะที่ประชุมพร้อมของอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาประชุมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตแล้วมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเรานิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่ในขณะนั้นจิตจะมีสิ่งที่รู้ปรากฏผ่านเข้ามาเรื่อยๆในเมื่อจิตผ่านมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาถ้าจิตอยู่ใน ลักษณะของอริยมรรคประชุมพร้อมและอริยมรรคมีกําลังในขณะนั้นจิตจะไม่รู้สึกยึดถือไปถือสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจะไม่มีความหวั่นไหวอะไรผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปเพียงแต่สัมผัสอาการที่จิตซึมทราบในอารมณ์นั้นไม่มีทีนี้ในขณะนั้นเราจะพึงสังเกตได้ว่า ถ้าสิ่งได้ผ่านเข้ามาถ้าจิตไปยึดมันก็เกิดความยินดีความยินดีนั่นเป็นกามาตัณหาถ้าจิตไป UE, ถ้าจิตไปยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นกามาตัณหาถ้ายึดในสิ่งนั้นก็เป็นภวะตัณหาถ้าหากว่าจิตไม่พอใจในสิ่งนั้นคือเบื่อไม่ยินดีเป็นการยินร้ายก็เป็นวิวิภ ว, วะตัณหา ในเมื่อเจตมีกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้พึงสังเกตจากนี้สําหรับผู้ที่เริ่มทำสมาธิใหม่ๆยังวางจิตไม่ถูกต้องทําให้ปวดเมื่อยไม่เบากายเบาใจต้องทําไปนานสัก์เท่าไหร่จึงจะทําได้ถูกต้อง ทุกวันนี้ได้พยายามนั่งสมาธิทุกเช้าคำ่ำประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สมาธิไม่มีเลยการนั่งสมาธิทุกเช้าคำ่ำทุกเช้าคำ่ำประมาณครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งยสบสี่ชั่วโมงท่านทำสมาธิเพียงหนึ่งชั่วโมงยี ส, สชั่วโมง ทำสมาธิโดยเฉลี่ยแล้วเพียงหนึ่งชั่วโมง23สสามชั่วโมงหรือชั่วโมงที่นอกจากเวลาท่านหลับท่านปล่อยความรู้สึกให้เป็นไปตามอารมณ์โดยปราศจากการทำสติเข้าใจว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาที่ปล่อยให้เสียไปถ้าอยากจะให้จิตมันเป็นสมาธิได้เร็ว ให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีกถ้าสามารถที่จะตั้งใจว่าจะทำสมาธิวันละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงให้ได้ทุกวันทุกวันใช้ความพยายามหน่อยแต่ความเป็นสมาธินั้นไม่สามารถที่จะกาหนดได้ว่าช้าเร็วสักเท่าไหร่แม้ว่าการภาวนาเจตจะไม่สงบเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ก็เอากันแต่เพียงแค่ว่าเราสามารถควบคุมจิตของเราให้ค้นคิดพิจารณาไปในเรื่องที่เราต้องการได้โดยความสะดวกด้วยการทำสติก็เป็นการใช้ได้ถ้าหากไม่สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิสงบอย่างที่ท่านว่า ก็ให้กำหนดตามรู้อารมณ์คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้เฉยๆเอาตัวรู้นี่เป็นตัวสำคัญตัวรู้นี่คือทำรรสติเราพยายามทาสติทุกอิริแม่จิตจะไม่สงบเป็นสมาธิอย่างตำลาที่ท่านเขียนไว้ก็ตามเราจะได้พลังคือสติเพิ่มขึ้น อันนี้สำหรับตอบปัญหาขอ้ข อ, อนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไปการพิจารณาพระไตรลักษ์พิจารณาได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมใช่หรือไม่การพิจารณาพระไตรลักษ์ในเมื่อเรากาหนดจิตลงไปโดยปกติเราจะรู้ว่าเรามีกายในเมื่อยังรู้ว่ามีกายเราย่อมรู้ ว่าเรามีเวทนาในมารู้ว่ามีเวทนาจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองทำก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของของจิตและกายและอีกอย่างหนึ่งทำในกาในในใ น, ในมหาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนมากท่านจะกำหนดเอานิวอนห้าในเมื่อกำหนดจิตลงไปรูปกาย ก็ย่อมรู้ว่ามีเวทนาสุขหรือทุกข์เพราะว่าเวทนานี่มันเกิดจากกายทีนี้ตัวโลนั่นก็คือจิตในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นกิเลส ต, ตัวใดมันเข้ามารบกวนเราย่อมรู้อันนี้ในขณะที่เรากําหนดกายเวทนาจิตธรรมที่จิตยังไม่สงบในเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว อยู่ในระดับขั้นอุปจารสมาธิเราจะู้เวทนาเป็นสุขคือสุขเวทนาเพราะจิตในเมื่อมีเครื่องกำลนดกำดลดรูล ก, กายกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องโลของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติทให้เรามีสติดีขึ้นในเมื่อมีสติประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้จิตก็ย่อมมีอาการสงบลงไป เมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจะเกิดปีติและความสุขอันนี้เวทนาทุกข์หายไปมีแต่ความสุขความปีติเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันผ่านความปีติและความสุขไปแล้วจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิวิตกวิจารปีติสุขหายไปหมดยังเหลือแต่ จิตนิ่งเป็นสมาธิสว่างสวัยเด่นอยู่อย่างนั้นในตอนนี้จิตเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอุบเบกขาความรู้สึกของผู้ทมจิตได้ถึงขั้นนี้ความสุขจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์มีแต่ความเฉยเฉยเป็นกลางจิตมีลักษณะนิ่งสว่าง แจม่มใสเบิกบานตื่นรู้อยู่ภายในตลอดเวลาที่จิตดำรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในตอนนี้ความรู้สึกว่ามีกายมีเวทนามีธรรมหายไปยังเหลือแต่จิตตัวรู้อันเดียวท่านั้นการพิจารณาความเป็นธาตุสี่นั้น ใช่ได้เฉพาะกายเท่านั้นหรือการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องตน้นใช่ได้เฉพาะกายคือเรากาหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนตน้ตนต้นเมื่อจิดพิจารณา